ไมม่ก็ไม่เลื่อนลอยเห็นมีกายเอากายมาสร้างความรู้สึกตัวได้สำเร็จในใจก็ใจมาสร้างความรู้สึกตัวได้สำเร็จทำได้สำเร็จสำเร็จกลัวทำอย่างอื่นการปฏิบัติธรรมการเจริญสต็จเป็นความสำเร็จทันที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 กิรยาที่เราอบรมเราก็มีกิรยาจริงๆนั่งสร้างจังหวะเคยนั่งนานไม่ได้เอาไปมาก็อดเท่านั้นทนเท่านี้เกิดนั่งได้เคยจีดใจไหลลุกลี้ลุกล้น ก, ก, ก, ก, กตั้งได้ใจเปราะใจบางก็เข้มแข็งขึ้นสิ่งที่มันเข้มแข็งมันก็มีอยู่ในความอ่อนแอ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 ชนเก็บปวดบางอย่างมันสุกก็สุกไปเลยแต่มันสุกเห็นมันสุกหัวโลภความสุขหัวโลภความทุกข์มันเป็นการเบาๆผิวๆเผินๆเหมือนกระจายน้ำหนักกระจายน้ําหนักไม่ให้หนักสมมุติน้าหนักร้อยเอร์เซนเอาวิธีกระจายกว่าร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ให้ลงที่เดียวกัน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 แยกรูปแยกนามออกให้เป็นเวทนาดุลลวน่นไม่มีอุปทานไม่มีสุขไม่มีทุกถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ของเวทนารวลรุว น, วนไม่มีอุปทานไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกหรือว่าได้อารมณ์ได้หลักได้หลักลื้อถอน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 เรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยมันล่วงพ้นภาวะเดิมๆตะกอนหลงก็หลงเต็มตัวทุกข์ก็ทุกข์เต็มตัวทุกข์ร้นลนโกรธร้นล้นรอยเปอร์ซคือความโกรธทุกข์ร้อยเปอร์ซหลงร้อยเปอร์เซ็นหัวรอดร้องไห้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 ถ้าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็เป็นฝ่ายกุศลถ้าเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงก็เป็นฝ่ายอกุศลมันก็มีให้แก้กันอยู่แต่ไม่หลงมันก็ไม่รู้แต่ไม่ทุกข์มันก็ไม่ไม่ทุกข์แต่มีเกิกไเกดไม่แจ็ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่ไม่เกิดไม่แจ็ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็มองชีวิตแบบไม่จน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 ไม่ใช่ไปคิดเอาเหตุเอาผลไม่ไปเอาได้เอาเสียไม่ใช่ไปเอาผิดเอาถูกมันเห็นไปแบบนี้นะปฏิบัติธรรมหลักก็ไม่ตรงตรงล้วนๆ้วนกายสัพสัพก็กายไม่ใช่สัตว์ปุกคนทนตนลรกเขามันก็มันก็ไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันก็พ้ดไป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 เรียว่ากิจ่งกิจมันก็ต้องคิดมันก็ต้องรู้อะไรอะเรแล้วมันรู้อะไรมันก็ไม่ใช่รู้เถื่อนเือนมันก็มีกิจที่มันคิดเป็นมันบวกกันเป็นกลายเป็นเวทนาเป็นคิดเป็นธรรมเข้าไป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 ปัญญาก็ได้จากการศึกษาได้จากการบทเรียนที่มีการกระทําที่มีการประกอบเห็ุเราเจริญสติเนี่ยนะก็ประกอบก็มีความรู้ส่วตัวอยู่กับกายจริงๆเรื่องของกายก็มีมากมันแสดงออกมีมากจริงๆทั้งสุขทั้งทุกข์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 นี่แหละศาสนาทายาตศาสนาทายาตเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าท่านเองไม่มีทางที่จะทําความชั่วไม่มีทางที่จะเบียดเบียนตนไม่มีทางที่จะเบียดเบียนคนอื่นเอากายเอาใจมาทําความดีเอากายเอาใจมาเลาความชั่วเอากายเอาใจของเรามาทําความดีก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม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 มันก็ท่า่ายแล้วจะไปยอมมันปล่อยให้ความโลภความโก ร, โรโธความหลงคลองกายของใจเรานี่ต้องเป็นเรื่องรีบด่วนขัวอย่างอื่นอย่าไปคิดเรื่องโน้นเรื่องรีบด่วนมาอยู่ตรงนั้มันท่าทายเราความหลงมันท่าไายความรู้ความทุกข์มันท่าทายความไม่ทุกข์ความโกรธมันท่าทายความไม่โกรธ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 เรียกว่าปฏิปิธรรมเริ่มท้นจากตรงนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็เกิดจากตรงนี้ใม่ใช่ไปทำอะไรต่งตางๆเดี๋ยวนี้เขาก็กังวลเรื่องาศาสนาทายาทจะไม่มีเพ่าว่าการศึกษาภาคบังคับมสามมหเรียนฟรีเมื่อ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 ก็มีไม่มากส่วนมากบรรลุธรรมช่วงอายุสา4สิบสี่สิบปีอายุสา4สสี่สิบปีได้บรรลุธรรมมากกว่าอายุช่วงอืง่นเท่าไรก็ไม่เป็นไรถ้ามีสติปฏิบัติจเจริญสติสัพพชาามีแฮะหลักมันอยู่ตรงนี้ต้โต้มันอยู่ตรงนี้มั่นใจมากมากอยู่ตรงนี้แน่นอน